โมโอกาสเอกะโมลกะไนสาอยแปดอนุบุคคลละการมราคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละปฏิคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วปฏิบุคคลละปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละการมราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้ว อนุบุคคลละการมาราคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลและมานานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละการมาราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในรูปประธาตและรูปประธาตบุคคลและมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วการมาราคานุสัยก็ไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้ว ในที่นี้คือในเวทนาสองในคามมิธาต์บุคคลละมานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแล้วก็ละการมาราคานุสัยไม่ได้แล้วอนุบุคคลละการมาราคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละทิฐานุสัยวิจิกิจานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลละวิจิกิจานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละการมาราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิ ในที่นี be them, no ้ค be ือในทุกเวทนาในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลละวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วการมราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในกามรธาตุบุคคลละวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแล้วก็ละการมราคานุสัยไม่ได้แล้วอนุบุคคลละการมราคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้ว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 วิใช่ปฏิบุคคลและอวิชานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละกา ร, รมราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหม <ãy S 1> วิในที่นี้คือในทุกเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลและอวิชานุสัยไม่ได้แล้วกา ร, รมราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลและอวิชาน <s> ุส<ค>ัยไม่ได้แล้ว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 อนุบุคคลละปฏิคานู้สัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละปฏิคารู้สัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในเวทนาสองในกางมรรทและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลไม่ได้ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้ว ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในทุกขเวทนาบุคคลละวิจิกิจานุสัยไม่ได้แล้วแล้วก็ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วอนุบุคคละปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละภวะราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วปฏิ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 ในที่นี้คือในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลละวิชานุสัยไม่ได้แล้วปฏิคานุสัยก็ไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในทุกเวทนาบุคคลละวิชานุสัยไม่ได้แล้วแล้วก็ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วสามรอยสิ 360. อนุบุคคลละมานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละทิฏฐานุสัย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 และในรูปธาตุรูปธาตุบุคค ล, ละวิจิกิจานุสัยไม่ได้แล้วแล้วก็ละมนานุสัยไม่ได้แล้วอนุบุคคลละมา น, านุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละภาวะราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลละมนานุสัยไม่ได้แล้วภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้ ในรู ป, ปธาตุและอรู ป, ปธาตุบุคคลละมานันุสัยไม่ได้แล้วแล้วก็ละภวะราคานุสัยไม่ได้แลว้วปฏิบุคคลละภวะราคานุสัยในที่ใดไม่ได้แลว้วก็ละมา น, า น, านันุสยนัสยในที่นั้นไม่ได้แลว้วใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลละมานานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลละอวิชานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละมานานุสัยในที่นั้ น, นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในทุกเวทนาบุคคลละอวิชานุสัยไม่ได้แล้วมานานุสัยไม่ควรวกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลละอวิชานุสัยไม่ได้แล้ว <cycling S 1> แล้วก็ละมานุสัยไม่ได้แล้ว ส1มอนุบุคคลละทิฐานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละวิจิกิจฉานุสัยในธาตุ น, นั้น ไ, ไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละธิฐานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่312อนุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละภวะราคานุสัยในธาตุนั้นไม่ได้แล้วใช่ไหม ในที่นี้คือในเวทนาสามในกามมาธาตุบุคคละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วก็ละภวะราคานุสัยไม่ได้แล้วปฏิบุคคละภวะราคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหม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 บุคคลและอวิชานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละภวราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในเวทนาสามแนกามาธาตุบุคคลและอวิชานุสัยไม่ได้แล้วภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลและอวิชานุสัยไม่ได้แล้วแล้วก็ละภวะราคานุสัยไม่ได้แล้ว กะมูลกะในจบทุกกะมูลกะในสามรอยสิบสี่อนุบุคคลละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละมา น, านุใสในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหมวิไม่มีมปฏิบุคคลละมา น, านุใสในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้ คือในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละมานานุสัยไม่ได้แล้วกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในกรมธาตุบุคคลละมานานุสัยและกามราคานุสัยไม่ได้แล้วปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนวุ บุคคลละการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุค nice บคล <Okay. S 1> คละวิจิกิจชานุสัยในท <Okay. S 1> ี่ใดไม่ได้แล้วก็ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละวิจิกิจชานุสัยไม่ได้แล้ว การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้เพื่อในเวทนาสองในกรมธาตุบุคคลละวิจิกิจานุสัยและการมราคานุสัยไม่ได้แล้วปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้เพื่อในทุกเวทนาบุคคลละวิจิกิจานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วการมราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่า ละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลละการมราคานุสัยและปฏิคานุัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละภวะราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลละภวะราคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละการมาราคานุัสและปฏิคานุัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุ บุคคลและกรรมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลและอวิชานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละกรรมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้เพื่อในรูปธรตมและอรูปธรรมบุคคลและอวิชานุสัยไม่ได้แล้วการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่า ละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลและอวิชานุสัยและการมราคานุสัยไม่ได้แล้วปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในทุกขเวทนาบุคคลและอวิชานุาาสัยและปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วกรวารมราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้ว ทุกกะมู nin, is, i, ลกะในจบติกะมูลกะในสามอสิบห้าอนุบุคคลละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหม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 ละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วตึกะมูลกะในจบจะตุกะมูลกะในสามอบอนุบุคคลละการมาราคานุัยปฏิคานุัยมานานุัยและทิฐานุัยในที่ใด ไ, ไ, ไม่ได้แล้วก็ละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละการมาราคานุสัย ปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในรูปประธาตและนนรูปประธาตบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยไม่ได้แล้วกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในการมรธาตบุคคลละวิจิกิจฉานุสัย กรามราคานุส an ัยมานานุสัยและทิฐานุสัยไม่ได้แล้วปฏิจานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในทุกเวทนาบุคคลลวิจิกิจานุสัยปฏจจุบนุสัยและทิฐานุสัยไม่ได้แล้วกรามราคานุสัยและมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วสามสอนุ บุคคลและกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละภวราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลละภวราคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละกามราคานุใสปฏิคานุใสมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิ บุคคลนั้นละได้เฉพาะมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลละกามราคานุ over, wa, so <|hi|> สัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละอาวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหมวิไม่มีปิ บุคคลและอวิชานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละกามาราคานุสัยปติคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลและอวิชานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยไม่ได้แล้วกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่า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 และวิจิกิจฉานุัยไม่ได้แล้วกามราคานุัยและมานานุใสไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วปัญจกะมูลกะในจบชากะโมลกะในสามร้อยสิบปดอนุบุคคลและการมาราคานุสัยปติค า, านุสัยมานานุัสทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้ว ก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลละอวิชานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วก็ละการมราคานุสัยปติคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุสัยและภาวะราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้เพื่อในรูปปัตตาและอรูปปัตตาบุคคลละอวิชานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัย วิจิกิจชานุสัยและภวะราคานุสัยไม่ได้แล้วกรรมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลละอวิชานุสัยกรรมราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจชานุสัยไม่ได้แล้วปฏิคานุสัยและภาวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้ว ในที่นี้เพื่อในทุกขเวทนาบุคคลและอวิชานุสัยปตะคานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยไม่ได้แล้วพรามราคานุสัยมานานุสัยและภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วชากะมูละกะในจบ ปิโลมะบุคโลกาตเอกะมูลกะไนสามร้อยสิบเกอนุบุคคลใดละกามาราคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วปฏิบุคคนใดละปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามาราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่า ละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละกามาราคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดละมานุษย์ใสในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามาราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นละมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้ว การมราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในการมธาตุบุคคลนั้นละมานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละการมราคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลสามเจมพวกในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละมานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วกามราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้ว บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรมธาตุบุคคลเหล่านั้นละมานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแล้วก็ละกรรมราคานุสัยไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละกรรมราคานุสัยในที่ใดไม่ได nah ้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสองเจมพวกในเวทนาสองในกมธาตุบุคคลเหล่านั้นละการมราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้ว แต่ไม่ใช่ละ ว, วิจิกิจานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลผู้เป็นปุตุชนในเวทนาสองในกาลมาธาตุบุคคลนั้นละกามราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแล้วก็ละวิจิกิจานุสัยไม่ได้แล้วปฏิบุคคลได้ละวิจิกิจานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละการาคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุตุชนในทุกเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุ บุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วกรรมราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแล้วก็ละกามราคานุสัยไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิ เม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วปฏิบุคคลใดละภวะราคานุสายในที่ใดไม่ได้แล้วบ <Adrian, S 1> ุคคนนั้นก็ละการมาราคานุสายในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิเม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละการมราคานุสายในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคนนั้นก็ละอวิชานุายในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 แต่ไม่ใช่ละกามาราคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลสามเจมผู้วกในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วกามราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกลามธาตุบุคคลเหล่านั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแล้วก็ละกามราคานุสัยไม่ได้แล้ว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 บุคคลใดละปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกในทุกขเวทนาบุคคลเหล่านั้นละปฏิคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลผู้เป็นปุตุชนในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละปฏิคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วและก็ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้ว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 ไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละปฏิคลานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิคลานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกางมรรทและในรูปธาตุอรูปธาตุ บุคคลนั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแล้วก็ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลสามเจมพวกในเวทนาสองในกรรมมาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่า ละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกเวทนาบุคคลเหล่านั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแล้วก็ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วสามอยี่สเอ็ดอนุบุคคลใดละมานนุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในเวทนาสองในกามาธาตุ และในรูปธาตุอารูปธาตุบุคคลเหล่านั้นและมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละวิจิกิจฉาในุสัยไม่ได้แล้วบุคคลผู้เป็นปุตุชนในเวทนาสองในการมาธาตุและในรูปธาตุอารูปธาตุบุคคลนั้นและมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแล้วก oh ็ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วปฏิบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้ว บุคคลนั้น <t> ก็ละมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุตุชนในทุกขเวทนาบุคคลนั้นละวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอารูปธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วและวก็ละมานานุสัยไม่ได้แล้ว อนุบุคคลใดละมานานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภาวะราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสี่จำพวกในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลเหล่านั้นละมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้น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 บุคคลใดละอวิชานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสี่จำพวกในทุกขเวทนาบุคคลเหล่านั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้น ล <PTSD> well. และอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแล้วก็ละมานุสัยไม่ไ <Technical> ด <Crim conscious> ้แล้ว322อนุบุคคลใดละทิฐานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจชานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฐานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่3ามยยี อนุบุคคลใดละวิจิกิจานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสามในกามาธาตุบุคคลนั้นละวิจิกิจานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุ<น> บุคคลนั้นละวิจิกิจฉานุัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแล้วก็ละภวราคานุัยไม่ได้แล้วปฏิบุคคลใดละภาวราคานุัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจฉานุใยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละภวราคานุัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุัยไม่ได้แล้ว บุคคลผู้เป็นปุตุชนในรูปธาตุและอรูปธาต no ุบุคคลนั้นละภวะราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วและกละวิจิกิจานุสัยไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละวิจิกิจานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิ บุคคลสามจำพวกในเวทนาสามในกลามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละวิจิกิจานิสัยไม่ได้แล้วบุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสามในกลามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแล้วก็ละวิจิกิจ า, าไม่ได้แล้วสยี 24, ่สิสอนุ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 แต่ภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แลว้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแล้วก็ละภวะราคานุสัยไม่ได้แล้วเอกะโมลกะในจบทุกะมูลกะในสยยี่หอนุบุคคลใดละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้ว บุคคลนั้นก็ละมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละมานานุสัยในที <go> ่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลนั้นละมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้ว บุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกลามาธาตุบุคคลนั้นละมานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละการมาราคานุสัยไม่ได้แล้วแต่ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละมานานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่า ละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกางมาธาตุบุคคลเหล่านั้นละมานุสัยและกลามาราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วแต่ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลใดละกลามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฐานุสัยวิจิกิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหม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 บุคคลใดละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดละภวะราคานุสัยในที่ใดไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นไม่ได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอ น, นุ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 แต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วกรรมราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลเหล่านั้นละอวิชานุสัยในที่นั้นไม่ได้แลว้วแต่กรรมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้ว ห, ห, <hesion> หรือละไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในรวามมาต